แล้วก็ต่อไปก็หลวงพ่อจะได้กล่าวสัมมตธนิยกถาให้แก่คณะกรัทธาญาติโยมพระที่เข้ามาอบรมในวัดของหลวงพ่อได้ฟังได้ศึกษาต่อไปการที่จะอบรมให้พวกเราที่ได้ยินได้ฟังนั้นเป็นสิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของหลวงพ่อเองเห็นว่าจุดไหน ที่พวกเราจะเรียนรู้หรือจะได้รับความรู้ที่หลวงพ่อได้ได้เรียนได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาหลวงพ่อก็จะพยายามถ่ายทอดหรือพยายามแนะนําให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาวันนี้ก็เป็นวันพระตรงกับวันที่22กรกฎาคม ๕๒เป็นวันอุโบสถของพระด้วยวันนี้เป็นวันพระใหญ่เข้าพรรษามาก็เป็นเป็นวันพระที่สองคือเข้าพรรษาสามเดือนแปลว่าสิหวันหมดไปแล้วยังเหลืออยู่สองเดือนครึ่งเพราะนั้นพวกเรา ท, ทุกทุท่านที่ได้มาปฏิบัติธรรมในวันนี้ทั้งฝ่ายพระสงฆ์ ทั้ง30กว่ารูปทั้งฝ่ายพระสงฆ์ที่จำพรรษาปีนี้39กรูปนะคณะศรัทธาญาติโยมก็มากพอสมควรตามชนบทในกลุ่มของพวกเราเขาขอให้พวกเราทั้งอกตั้งใจปฏิบัติหรือว่ารักษาศีลหรือว่าสั่งสมคุณงามความดีให้ตลอดลอดฝั่ง คือตลอดทอดฝังนะั้นคืออะไรคือให้ปฏิบัติให้ลุล่วงไปทั้งสามเดือนเนี่ยอย่าให้ขาดตกบกพร่องเพราะว่าพวกเราได้ตั้งจิตตั้งใจไวแล้วว่าจะปฏิบัติรักษาศีลภาวนาสั่งสมคุณงามความดีตลอดไตรมาสสามเดือนนี้จะพยายามสั่งสมบมัลมีเข้าสู่กายวาจาใจของเราให้ดีที่สดุดเพราะนั้น ในความตั้งใจของแต่ละคนแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าถึงยังไงในความตั้งใจนั้นหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราอย่าให้หลอกตอนเองอย่าให้เป็นไม้ปักขี้เลนเให้ให้แน่น เ, เพราะเราประมาทหรือว่าเราไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีมามากถ้านึกย้อนหลังดูชีวิตของพวกเรา พวกเราก็ปล่อยปะละเลยมานมนานแต่ปีนี้พวกเราได้มาพบมาเจอได้มาบำเพ็ญการกุศลที่วัดหลวงพ่อและก็ได้มาพบมาเจอได้ฟังทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ฟังทำคำสอนจากสถานีวิทยุที่ครูบาอาจารย์พะระเถระมหาเถระตั้งหลายหลายท่าน ได้แนะนําสั่งสอนพวกเราต่างกลัมต่างวาระเพราะนั้นพวกเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วถ้าว่าปล่อยปะละเลยไม่สนใจหลวงพ่อว่าคงจะไม่ถูกต้องนะควรจะใส่ใจควรจะฟังแล้วก็นามาประพฤติปฏิบัติฟังด้วยเหตุด้วยผลศึกษาด้วยเหตุด้วยผล ธรรมะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือหลักเหตุผลนำหลักเหตุผลมาอ้างอิงนําหลักเหตุผลมาพูดกันไม่ได้พูดแบบลอยๆไม่ได้ยกเมฆมาพูดธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกเมฆมาพูดพูดตามความเป็นจริงเป็นจริงอย่างไรพูดอย่างนั้นแต่พวกเราบางท่านบางคนไม่สามารถที่จะรับความจริงได้เพราะเคยรับแต่ของจอมปลอมได้รับของปลอมมามากตอมาก พอมาพูดของจริงเข้ามาแล้วก็สะดุกสะดุ้งกลัวสะดุ้งแต่ตามไม่จริงก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นหูของเรามีสองข้างฟังทั้งดีฟังทั้งชั่วฟังได้หมดทุกอย่างอขอให้พวกเราศรัทธาญาติโยมพระพุทธเจ้าท่านเราเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าแล้วต้องเป็นผู้หนักแน่นต้องฟังด้ดยเหตุด้วยผล ตรองศึกษาด้วยศีลด้วยธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนท่านให้พวกเราประพฤติธปฏิบัติอย่างไรทำตนอย่างไรให้ทำใจอย่างไรให้ทำกายวาจาอย่างไรพวกเราก็ให้ศึกษาเพราะหลายแนวทางเือเกินเพราะพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแปดมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์สุดแท้แต่ครูบาอาจารย์ท่านจะหยิบยก จุดไหนมาอธิบายให้แก่พวกเราฟังอย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันบางทีก็ยกเป็นชาดกบ้างเพื่อเป็นแนวทางให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาบางทีก็ยกเอาสดสดมาพูดบั่งบางทีก็อ้างอิงบุคคลในปัจจุบันมาพูดบั่งเพื่อเป็นแนวทางหรือบางทีก็อ้างอิงถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรได้ผลอย่างไร ก็อ้างก็อ้างให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาหรือหลวงพ่อเองได้ประสบประการมาอย่างไรหลวงพ่อเองก็ไดเอามาพูดเอามาแนะนำสั่งสอนพวกเราเพราะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วก็คือให้พวกเราเข้ามาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เพื่อศึกษาอันไหนเหมาะสมอันไหนถูกต้องอันไหนเป็นธรรม นี่พวกเราจะได้กลั่นกรองอด้วยเหตุแต่ผลถ้าว่ามีความสงสัยจุดไหนตรงอย่างไรก็ถามถามว่าจุดนี้เป็นหลักพระธรรมินันหรือมาในพระไตรปิฎกหรือเป็นอัธกถาหรือเป็นพระบาลีอย่างนี้ก็พร้อมที่จะถามได้เพราะนั้นพว ก, พวกเราเข้ามาศึกษาเพราะนั้นขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจในการศึกษา แต่วันนี้หลวงพ่อจะได้พูดเกี่ยวกับบางคนก็มีความสงสัยนะสงสัยบ้าเอ่อย่างที่ไปงานหลวงปู่เพียนพระก็สวดมาติกาบางสกุลอยู่เรื่อยแล้วก็สวดมาติกาบางสกุลสวดนี้สวดเพื่อใคร อ, อันนี้คล้ายๆกับว่ามีคำถามในจิตใจหลวงพ่อก็อยากจะพูดอีกเหมือนกันนะบัด การสวดมาติกานั้นมีความหมายว่าอย่างไรแต่หลวงตามหาบัวท่านก็บอกว่าเมื่อเราตายไปแล้วอยาสวดมาติกาให้เรานะไอพวกที่สวดทั้งหลายเนี่ยพวกที่โงงๆทั้งนั้นแหละลักษณะอย่างนั้นแหละท่านพูดนะแต่หลว ง, งพระหลวงพ่อเองก็มาอยากจะนําคําพูดของท่านมาพูดเพราะว่ามันเป็นคําพูดที่ตรงเกินไปบางท่านบางคนอาจจะรับไม่ได้นะแต่ตามให่จริงท่านก็พูด ลักษณะอย่างนั้นแหละกุชลาแปลว่ากุศ ล, อ, ล, ล อ, อักุลชลาแปลว่าอกุศลกุชลาแปลว่าฉลาดอกุชลาแปลว่าโง่ถ้าแปลแปลเป็นอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดเหมือนกัน เ, เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าท่านเรียนรู้แล้วท่านเรียนจบแล้วเ อ, อท่านไม่สงสัยแล้วเพราะนั้นไม่ต้องสวดสวดให้แก่เราแต่ตามไม่จริงการสวด มาติการบางสกุลนะั้นไม่ใช่สวดให้คนตายคนตายไปแล้วท่านตายไปแล้วก็หมดแล้วท่านก็ไม่มีอะไรแล้วแต่สวด น, นี่ก็คือสวดให้ผู้ฟังผู้เข้ามาไปฟังได้ยินได้ศึกษาให้พวกเราให้ตั้งอกตั้งใจนะให้จิตใจเป็นกุศลนะอย่าทําจิตใจให้เศร้าหมองนะอย่าทําให้จิตใจเอ ไปในทางอากุศลบาปกล้มเน้ออันนี้ค่ายๆว่าเป็นการบอกกล่าวกันสอนกันนี่แหละคนนี่ตายแน่นะอย่างที่ท่านตายอยู่ในหีบในโรงเป็นตัวอย่างของพวกเรานี่แหละเพราะนั้นให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเน้ออ น, นิจาวัฏสังขาราอุปาทวะยธรรมมิโนอร่างกายนี่เหมือนกับทนไม้ทนฟืนนั่นแหละเมื่อตายไปแล้ว เมื่อใจออกจากร่างแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งหมดทําอะไรไม่ได้เพราะฉนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอะอันนี้ก็คือความสวดมาติกาในวันตายแต่บางคนก็ถามว่าเอ๊ะเวลาคนตายไปแล้วเนี่ยเวลาพระจะสวดมาติกาแล้วบ่กจะให้รับสินอย่างเนี้ยแล้วก็ไปเคาะกระลงปุกปุกปวกปั ก, ป ก, ปกบางทีก็เอาอาหารไปเส้น ไปวางไว้แหละกับบนภูมิภูมพิมพำพอีกข้างข้างเออพระมาละเนอให้ออกไปไหว้พระอรับศีลเนเออย่างเนี้ยบางทีกัเคากะกับลงเออแล้วรับศีลเนอเดี๋ยวนี้ขณะนี้รับศีลเนอเอออันนั้นพูดขึ้นไปแต่ตามไม่จริงเพื่อความสบายใจของญาติพี่น้องอผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเองเพื่อความสบายใจแต่ตามไม่จริง เรื่องจิตวิญญาณ น, นั้น เ, เขาเขาอาจจะอยู่ในแถบนั้นก็ได้ เ, เพราะยังเป็นงานศพของเขาอยู่แต่ถึงยังไง เ, เขาก็เป็นวิญญาณแล้วไม่สามารถที่จะรับรู้ในทางตาหูจมูกลิ้นของเขาได้แล้วถ้าเขามีจิตวิญญาณหรือเขามีบุญนะ เ, เมื่อเขามีบุญยังมีบุญอยู่ยังไม่มียังไม่ได้ทำบาปกล้ำอะไรมาก ในเมื่อใจของเขาขาดไปแล้วตัวของเขาก็ยังวกวนเวียนดูอยู่ในร่างกายของเขาอยู่เขาก็ดูงานของเขาอยู่แต่เว้นเสียแต่ท่านเป็นพระอรหันต์ไปแล้วพอดับขันปุ๊บท่านก็สู่นิพพานไปเลยถ้าไม่มายุ่งแล้ะแต่ว น, นีพวกเรานอกจากนั้นลงมาพวกเราอาจจะวกวนเวียนอยู่ในร่างกายอยู่ในวงญาติแต่จากนั้นก็ เมื่อถ้าว่าพวกเราทำบาปกลรมวิญญาณไหนคนไหนที่ทำบาปกลรมหนักพอตายปุ๊บลงไปยมพบานหรือว่ายมมาทูทยมพะบานเขากดลากไปลงโทษทันทเีเขาไม่รอช้าอะไรแนั้นเหมือนกับ น, นักโทษอุกสกันนั่นนะ่ะพอออกจากร่างแล้วเขากดรีบจัดการนำไปลงโทษเลย อันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สร้างบุญสร้างกุศลก็เช่นเดียวกันพอจิตใจของเราจะหลุดออกจากร่างอย่างนี้เทวดาท่านก็เอารถมาคอยแล้วอารถมาคอยพอออกจากร่างปุ๊บเขาก็เชิญขึ้นรถไปสู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งของเขาแล้วหรือว่าท่านจะไปพรมานี้ท่านก็ไปได้เลยท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องพวกที่จะจัดงานศบก็จัดไป แต่ตามให้จริงใครจะไปเผาไปฝังไปทำอะไรออท่านไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งหมดลหละเพราะมันท่านหนีออกจากร่างแล้ว เ, ออเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจริงว่าเวลาตายแล้วไม่ไไ ม, ไ, มไม่มีความสำคัญอะไรมีความสำคัญแต่ขณะยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวเนีเออ้สิ่งไหนที่เราจะทำสิ่งไหนที่เราจะสร้างเอาก็ให้พวกเราทำสิ่งนั้น เ, ออเมื่อตายไปแล้วอย่าไปคิด ว่าให้คนนั้นคนนี้ทําให้เราขณะยังมีชีวิตอยู่เราสั่งให้เขาทําก็ยังผิดผิดพลาดพผิดผิดพลาดพลาดแต่เมื่อตายไปแล้วนจะให้เขาทําให้จะให้ถูกใจเราคงจะเป็นไปอย่างนั้นได้ยากเพราะนั้นท่านจึงว่าเวลาขณะยังมีชีวิตอยู่เราจะสร้างบุญสร้างกุศลเราจะทําอะไรเราทําเอาซะเราจะทําบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติอย่างไรเราทําเอาเองในเมื่อ เราตายไปแล้วเขาจะทำหรือไม่ทำอย่าไปหนักใจกับเขาปล่อยให้เขาทำไปแต่ถ้าเราไปหวังว่าเมื่อเราตายไปแล้วให้ญาติพี่น้องเพลินผงทำให้อันนั้นคนนั้นแปลว่าผิดหวังอย่างอย่างมากเนี่ยในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธการในมาในธรรมมะบทนะมาในพระไตรปิฎกในธรรมบทคือมีอุบาสกท่านหนึ่ง ท่านเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันท่านานได้ปฏิบัติท่านก็เป็นเศรษฐีอีกมีบริษัทบริวารมากมีลูกหลายคนด้วยท่านเป็นผู้เคร่งคัดเป็นผู้มั่นในทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยแต่นี้ท่านก็ป่วยพ่อป่วยหนักท่านก็สั่งลูกชายว่าเออไปนมนพระคุณเจ้า มาสวดกายยาคตาสติให้ฟังโดยสิ่งกายยาคติกนเรื่องบรรยายถึงเรื่องกายกายเป็นของไม่เที่ยงกายเป็นอนิจจังกายเป็นทุกขงังกายเป็นอนัตตา เ, เรียกสวดสวดให้คือพระพุทธเจ้าท่านสอนอพระท่านกส็สวดให้ฟังทีนี้พระท่านก็ น, นิมนต์มาพระท่านก็มาพอมานี่ขยโยมก็เห็นพระมาก็เออเอานิมนต์พักคุณท่านสวดให้ให้ให้ข้าไปเจ้าฟังหน่อยสิขคิ้ว่าเพื่อเป็นเครื่องรื่นเริงทางด้านจิตใจนะถ้าไม่ได้มุ่งหวังอะไรขยิ้าบอกพระเห็นพระสวดขึ้นมาแล้วกัท่านก็นึกตามไปใจของท่านก็มีเป็นกุศลว่างั้นะน่แต่นี้ท่านก็พระสงฆ์ก็สวด เพอกำลังสวดสวดไปอยู่โยมก็ น, นั่งนอนฟังอนอนฟังพระสงฆ์สวดทีนี้ท่านก็เทวดามาจากชั้นสวรรค์ทั้งชั้นดุสิตด้วยทั้งชั้นดาวดึงด้วยทั้งชั้นจาตุมด้วยไปกันเถอะเอารถมารับแต่ใครไม่เห็นนะแต่คนนั้นเขาเห็นมันเป็นนิมิตขึ้นมาให้เขาเห็น พอเห็นสั้นเขาก็บอกเลยยุดยุดยุดยยุดเจกอนยุดกอนเป้าเป้ากอนยุดกอนพระสงฆ์ทั้งหลายกําลังสวดก็ว่าเอ๊ะอุบาสกนี่คงจะห้ามพวกเราไม่ให้สวดกันแล้วนี่พระสงฆ์ก็เงียบไม่สวดพอไม่สวดเท่านั้นลูกทั้งหลายที่นั่งเฝ้าพ่ออยู่ที่ที่พ่อฟังสวดมนอยู่ลูกทั้งหลาย ร้องให้โคมขึ้นมาเลยบอกว่าพ่อนี่คงจะไปแล้วเผลอสติแล้วทั้งๆ ท, ที่นิมนต์ครูบาอาจารย์มาก็เพื่ออยากจะให้สวดกายยาคตาสติเป็นพระธรรมสติปัฏฐานสี่กายสวดสติปัฏฐานสีให้พ่อฟังแต่พอมาสวดยังไม่จบพ่อก็บอกห้ามหยุดแล้วแสดงว่าพ่อนี่กลัวตาย มากๆเผลอสติไปแล้วโรคทั้งโรกทั้งหลายก็ร้องให้เมื่อกี้น่ะหลายคนลูกสาวลูกชายลูกสาวเนี่ยร้องให้หลายคนเนี่ยพระสงฆ์ที่ท่านมาสวดแตงโอไม่ได้การฮท่านก็เอออาตมาพวกอาตมาลานแล้วโนะยมเด้อท่านก็ออกจากบ้านไปเพราะว่า <c oughs> ถึงจะสวดไปกับพวกนั้นก็ร้องหม่มร้องให้พอจากนั้นโยมก็ ฟื้นขึ้นมาทีนีเอา้าพวกเจ้าทั้งหลายร้องไห้ทําไมเอา้าเมื่อกี้นี่พ่อว่าหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนฮะเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ก็เลยหยุดพ่อบอกว่าไม่ใช่พ่อไม่ได้บอกให้พระสงฆ์หยุดคือรถนะ่ะมาลอยอยู่ในในอากาศนั่นนะ่ะสามสี่ชั้นสวรรค์สามสี่ชั้นที่จะมารอรับพ่ออยู่นะเออ เพราะนั้นพ่อจึงบอกว่าอยหยุดก่อนหยุดหยุดห ย, ย, ย, ยุดอย่าพึ่งจะพึ่งมารับยังไม่พร้อมเพราะจะกําลังฟังพระสวดสติปัฏฐานอยู่ให้รอกร่อนรอกร่อนยุดไม่ใช่พ่อบอกอให้พระสงฆ์หยุดนะทางพระทางลูกโลกเราบอกเอ้าถ้าอย่างนั้นอรถอยู่ที่ไหนล่ะพ่อนั่นนด้เห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเออไม่เห็นเอาเอาพวงมาลายมาให้พ่อดีสิ เขาก็าเลยเอาพวงมาลายมาให้พอมาให้แล้วกับลูกพวกลูกจะจะให้พ่อไปอยู่ชั้นไหนสวรรค์ชั้นไหนที่ลูกว่าเห็นว่าเป็นที่พึงพอใจของลูกเพราะว่า พ, พ่อเนี่ยจะไปอยู่ชั้นไหนก็ได้ไปอยู่ชั้นต่ําก็ได้ชั้นสูงก็ได้ตามอัธยาศัยของพ่อเพราะว่า พ, พ่อเลือกได้ที่จะไปเกิดเนี่ยในสวรรค์ทุกชั้นเนี่ยเหมือนกับเราจะไปเมืองลาวก็ได้ไปเวียดนามก็ได้เพราะเงินเรามีใช่ไหมแต่ว่าไป สูงสุดก็คือไปประเทศที่เขาห้ามยากๆยั ง, ๆยงไปได้ว่างันเถอะเพราะเหตุไรเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะไปประเทศง่ายๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงละเศรษฐีอยากจะไปที่ไหนเขาก็ให้เปิดประตูลับเลยว่างั้นเถอะอันนี้ก็เหมือนกันเศรษฐีท่านนั้นท่านเป็นพระโส ด, ดาบันแล้วนี่ยท่านจะไปสวรรค์ชั้นไหนท่านก็ไปได้นะท่านก็ลกกูกเลยบอกว่าไปชั้นดุสิตพอ่อเพราะว่าชั้นดุสิตเนี่ย โน้มพระมรันดาของพระพุทธเจ้ากลับไปเป็นเทวบุตรอยู่ชั้นดุสิตชั้นดุสิตเป็นชั้นที่เป็นที่น่ารื่นรมพ่อไปอยู่ชั้นดุจิตนะเออเอาถ้า ง, งั้นเอาพวงมลาลัยมาพ่อจะตั้งกิจอธิฐานแล้วพ่อจะโยนพวงมลาลัยขึ้นไปค้องแอกรถหรืองอนรถของสวรรค์ชั้นดุสิตที่เขามา รอรับแั้นพอเสร็จแล้วท่านก็นโยนพวงมาลัยขึ้นไปเออพวงมาลัยนี้ขอให้ไปคล้องอยู่งอนรถของชั้น อ, อชั้นดุษฎีที่มารับข้าพเจ้าที่มารับออพอโยนขึ้นไปพวงมาลัยก็ลอยละล่องขึ้นไปก็ไปห้อยออไปคล้องอยู่งอนรถของออชั้นดุษิีที่มามารอรับเ อ, อ พ่อก็ถามมาลูกเห็นไหมเห็นพวงมาไลัยไหมลูกทั้งหลายก็ว่าเห็นพอนะเออนั่นแหละนั่นแหละลถของชั้นดุสิตอ่ะอยู่ตรงนั้นนะอ่ะแหมเพราะนั้นลูกทั้งหลายเนาะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทพ่อจะไปแล้วนะทีน่นี่ถ้าว่าลูกทั้งหลายปฏิบัติอย่างพ่ อ, พ, อพาปฏิบัตินี้ลูกต้องไปอยู่ได้ไปอยู่กับพ่อแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ถ้าว่าลูกทําตัวไม่ดีเอ ไม่ได้ไปอยู่ด้วยนะฝอยนั้นพ่อไปก่อนนะลูกนะแหมขอให้ลูกตั้งตนเป็นคนดีและปฏิบัติตนอย่างที่พ่อแนะนําสั่งสอนลูกทั้งหลายจะได้ไปอยู่กับพ่อบัดนี้พ่อถึงคราวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วจะไปแล้วชีวิตของพ่อหมดแล้วพอว่าเท่านนั้นท่านก็ใจขาดเลยใจขาดแล้วหายเงียบไปเลยก็คงจะไปขึ้นสวรรค์ชั้นดุสิตอย่างที่ว่านั่นน่ะนี่นี่แหละอันนี้ ที่หลงพ่อพูดให้ฟังนี้มาในพระไตรปิฎกนะมาในธรมรมปทัตตกถาท่านพูดในพระไตรปิฎกเพราะนั้นผู้ที่สั่งสมคุณงามความดีมีสวรรค์แต่ละชั้นรองรับผู้ที่ทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็ไปตกนรกหมกไหมก็มีมากมายอีกเหมือนกันไม่รู้กี่แห่งกี่หนเหมือนกันนรกแต่ละหลุม เพราะฉะนั้นาการสร้างสั่งสมคุณงามความดีอย่างที่พวกเราได้สวดมาติกาบางสกุลกุศลาธรรมมาสิ่งที่เป็นกุศลอากุศลาธรรมมาจิตที่เป็นอากุศลอัพยาคตาธรรมมาคืว่าจิตที่ไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญเป็นกลางๆลางแต่ว่าจิตที่เป็นกลางกลานี่น้อยมากเหมือนกับพวกเรานอนหลับสถิตไม่ฝันอย่างนั้นแหละแปลว่าจิตเป็นกลาง จุดนั้นจากนั้นจิตที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเรียกอัพยยากตาธรรมมาเราฉะนั้นตามไม่จริงเราจะสวดหรือไม่สวดก็ได้เพราะว่าสวดก็เพื่อให้พวกเราผู้ไปนั่งฟังได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษาอย่าไปทํากรัมที่เป็นอกุศลเนอะให้ทําปันที่เป็นกุศลความปาณีชความหยาบของจิตของใจของพวกเราเนี่ย สรุปแล้วก็คือท่านเน้นเรื่องของเรื่องใจมากกว่าเรื่องอภิธรรมอ่งความเป็นมาของอภิธรรมนั้นคืออะไรเนี่ยอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าของเราท่านได้สั่งสอนในเมืองมนุษย์หลายปีในเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติได้เจ็วันพระมารดาของพระพุทธเจ้าก็ สวรรคตรพอสวรรคตรก็ขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตอย่างที่ว่านะั่นน่ะแต่นี้พอพระพอุทธเจ้ า, าได้ครองราชอายุยี่สิบเก้าปีก็ได้ออกบวช อ, ออกบวชได้สำเร็จได้ตัดสรุ้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อได้ตัดสรุ้แล้วท่านก็ได้นำทำคำสอนประกาศเผยแผ่ให้มวลมนุษย์ อยู่หลายปีจากนั้นท่านก็ลำลึกถึงพระมารดาของพระองค์ท่านว่าอยู่ชั้นดุสิตรเราควรจะไปโปรดพระมารดาอันนี้พระพุทธองค์ก็ได้เสียสละเวลาในปีนั้นพวกเดลถีนิคนเขาก็ปลาหมาดว่ า, าศาสนาในโลกหรือว่าคนในโลกเนี่ยในโลกเนี่ยจะมีฤทธิ์มีเดชมีอิทธิฤทธิ์นั้นคงไม่มี ในชาติในช่วงนั้นพระพุทธองค์ก็ได้แสดงอิติลิศเมื่อแสดงอิติลิศเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ท่านไปอยู่สวรรค์สามเดือนไม่ลงมามนุษย์อีกอจากนั้นพระองค์ก็ขึ้นไปอยู่ไปโปรดพระมารดาอยู่ชั้นฤทธิ์มีเทวดามาฟังธรรมเทศนาของพระองค์มากพระองค์ก็นี่เทศนิรมิต โ ป, ปรดพมานดาซึงสามเดือนท่านพูดนี่แหละเึ่งสวดอภิธรรมนี่แหละอภิธรรมทั้งหมดเป็นการโ ป, ปรดพมารดาเพราะว่าเทวดาเนี่ยมีแต่วิญญาณเนยไม่มีรูปเพราะท่านจึงเพราะนั้นท่านจึงพูดแต่เรื่องตวิญญาณมีแต่พูดเรื่องใจนึกคิดเรื่องอะไรใจปรุงอะไรใจคิดอะไรใจเป็นยังไงที่ใจเป็นอกุศลใจยังไงที่เป็นใจที่เป็นกุศลนี่แหละบรรยายถึงสามเดือน จากนั้นพอออกพรรษาแล้วพระพุทธองค์ก็ได้เสด็จกลับเมืองมนุษย์ที่เมืองสังกัสรานครนี่แหละอันนี้คือความเป็นมาของพระอภิธรรมที่พระพุทธเจ้าพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมนะชว่าไตรปิฎกไตรแปลว่าสามพระไตปิฎกเพราะนั้นพวกเราศรัทธาญาติโยมทุกๆคน น, ะนี่แหละสรุปแล้วก็คือ ก่อนที่พวกเราจะถึงจุดจบนั้นให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ให้สร้างบา ร, รมีเอาไว้อย่าไปคิดพึ่งพาอาศัยคนอื่นเขาถ้าคนอื่นเขาทําให้เราเนี่ยบางทีอาจจะคาดเคลื่อนบางทีอาจจะไม่ถูกต้องบางทีมันอาจจะไม่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งที่พวกเราเอาเ อ, อเมื่อเราตายไปแล้วให้ทําบุญอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะนิมนต์พระอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะนห่นินมนต์ครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้นะ เพลิเลเขาอาจจะไปซื้อเหล้าซื้อยาซื้อวัวควายมาฆ่ามาเลี้ยงมากินกันอย่างนี้ทั้งที่จะเป็นบุญกลับเพิ่มบาปให้แก่พวกเราอีกเพราะนั้นโ บ, โบราณท่านยังว่ามีชีวิตอยู่ควรจะทำสิ่งไหนจะเป็นบุญกุศลรีบทำามอซะในขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นเขาทาไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นเขาเขาอาจจะทำผิ ด, ผด พัดพลาดไปก็ได้ไม่ถูกจำกตามจุดประสงค์ของเราแต่ถ้าเรามีเราก็แบ่งให้เขาทรัพย์สมบัติของเราส่วนที่เราจะทํำเราก็ทําเอาจํานวนที่เหลือเราก็เออเอาจํานวนที่เหลือนั้นให้สู้เจ้าแบ่งกันเถอไม่ต้องทําบุญให้แกเราก็ได้เราทําเอาแล้วละพอแล้วเราทําแล้วพูดอย่างนั้นมั่นใจอย่างนั้นเออันนั้นะคือปาฏิเป็นผู้ไม่ประมาท เพราะนั้นหลวงตาท่านมหาบัวท่านบอกว่าข้าทําเอาแล้วสิ่งไหนที่เป็นอสิ่งนี้ที่มันดีข้าทำมาแล้วพอแล้วเพียงพอแล้วไม่ต้องทําให้เราอีกนะเวลาเราตายก็ไม่ต้องสวดมรติกาให้เราอีกเอเพราะพวกที่สวดๆนะั้นอะมองๆดูแล้วเอมันพวกแต่พวกโง่งๆลักษณะอย่างนั้นแหละอแต่หลวงพ่อก็ไม่ไม่ไม่กล้าที่จะนําคําพูดของท่านอมาพูดได้ แต่ตามไม่จริงแนวความทิศหลวงตาเป็นอย่างนั้นเอเพราะฉะนั้นคําแปลและความหมายของอภิธรรมอย่างที่พวงเลาะหลวงพ่อได้อธิบายให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายฟังนี่แหละแอถ่าว่ามีความสงสัยก็ไปถามท่านผู้รู้อีกว่ายังได้นะอที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเอเป็นอย่างนั้นจริงไหมแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเอานอกประเด็นสักหน่อยทีนี้นอกประเด็นก็คือว่ามี มีพระองค์หนึ่งเนี่ยเคยมาบวชท่านเคยเป็นอทําเป็นหมอเหมือนกันจะ้ะไปโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งอท่านบอกว่าท่านไปเฝ้าครูบาอาจารย์พ่อไปนอนแล้วเอถ้าพูดอย่างก็บว่าผีอําเหมือนกันเถอะนะเอออันนี้อันนี้พูดพูดแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันนะท่านบอกว่าผี อ, อํัมแล้วมีพระองค์หนึ่งเข้าไปก็อําอีกเหมือนกันผีอัมอีกอผลที่สุด ห้องนั้นเป็ว่าห้องติดติดครูบาอาจารย์นอนไม่ได้เลยเว่างั้นเถอะผีอ่ําเห้ยเห็นตัวเห็นขาจริงๆเนะียเป็นผีขาเป๋วาอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีเนี่ยนะเนี่ยเดินมากับขากระเพกกระเพกมาเวลามันมาอย่างไงมันป้าไอหมุนก้นขึ้นมามานั่งขาเลยงั้นมานั่งขามานั่งอกเลยเออท่านี้ก็ดิน้นไอช่วงที่คับคล้ายกับคามันจะหลับแผลไม่หลับแผลในะช่วงนั้นแหละมันมาเว้ยงั้น พระ อ, องค์นั้นก็พูดอีกเหมือนกันแต่หลวงพ่อยังไม่ได้ถามแต่พระแต่ว่าไอ้ อ, องค์นี้ยนะบวชเดี๋ยวนี้บวชเป็นพระแล้วท่านก็พูดอย่างนั้นให้ฟังอย่างชัดเจนก็เลยผลที่สุดก็เลยเออเราจะเอาอยัางไงมันต้องตรงนี้มันคงจะมีวิญญาณที่เลื่อนลอยมันหวงอยู่มันไปไม่ได้เอจากนั้นท่านก็ท่านก็เป็นหมออีกต่างหากได้เนี่ยเดี๋ก็ค้นดูอีกว่าคนที่ตายในกุฏิหลังนี้มีกี่คนมีสองร้อยกว่าคนนะ สองร้อยกคนเนี่ยก็ดูอีกท่านว่าเออเนี่ยคนเนี้ยแหละชื่ออย่างเนี้ยแหละเอรถชนเ อ, อขาหั ก, แ ล, กลแล้วก็มาตายอยู่ที่นี่เหมือ น, นั้นแต่นี้เขาไม่รู้จักทางไปเหมาอนกันเออเราจะทํายังไงเอา้าพวกเราจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้วันที่จะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ก็ตกลงกันจะนิมนต์พระมาสวดเออผีตอนนั้นยังมาขู่อีกต่างหากเหมงอนกันนะออใครเป็นคนคิดว่าจะทําบุญให้เราเนี่ย พระองค์นั้นก็ บ, บอกอ้าวเล่านี่เองจะเป็นคนทําให้มีอะไรมันก็ไม่พูดอะไรโพธิสุขก็ลเลยได้ทําบุญให้เอาถังสังฆทานมาแล้วทําบุญพอทอําบุญแล้วก็กวดน้ําบททิศส่วนกุศลให้ก็เนี่ยสวดกุศลาธรรมะกุศลาธรรมะอัปยากตาธรรมะเนี่ยก็เหตุปัจโยอนิจาวัติสังขลาจากนั้นก็ให้พรพอให้พรเสร็จแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ถวายจตุปัจเจยพระสงฆ์ไป จากวันนั้นมาเงียบนวลนะเออคนโบราณโบราณเนี่ยไอ้สวดบทนี้เนี่ยมันผีคงจะรู้เรื่องกัมัง้งผมว่าวันนี้เนี่เออถ้าสวดอย่างอื่นก็ไม่น่าแต่พอสวดตัวนี้เข้ามามันหายเงียบไปเลยเนี่ยแสดงว่ารับรู้รับทราบนะ่ะเออพวกพวกผีทั้งหลายแหละก็คงอยากพวกเราเนี่นะพอสวดในโอสสวดนี้คือคนตายนะเนี่ยลักษณะอย่างนั้นกัมัง้งอย่างนั้นเออจากนั้นมาก็เลย ไม่เห็นอีกเลยในจุดนั้นลางั้นใครใครไป น, นอนใครไปอะไรก็ไม่มีอีกแล้วผีไม่อําคนอันนี้ไม่ไม่ใช่มาในประตรีปิดอกนะมาพูดแต่บ่าคนที่น่าเชื่อถือได้ทีเดียวต้องไปดีหตรงพ่อนํามาพูดนี่อคืออันนี้ก็คือเป็นแนวความคิดอันหนึ่งเหมือนกันผูกที่เชื่อคล้ายๆก็ว่าเหมือนกับนี่แหละมันผีจะอำนะคล้ายๆบอก คนจะนอนหลับไม่นอนหลับแฉะนนี้แหลววะว่างั้นถอะถ้านอนหลับไปแล้วก็หายเงียบไปเอ่ถ้าไม่นอนหลับจริงๆก็ไม่เป็นไรเพราะคลับคล้ายครลาเนี่ยช่วงนี้แหลววะว่างั้นเถอะ ท, ที่ที่ที่ท่านองค์นั้นพูดให้หลวงพ่อฟังนะอันนี้ก็เป็นแนวความคิดอีกอันหนึ่งเหมือนกันเนี่ยบอกคนโบราณเนี่ยเขาี่ที่เขาสวดมาติกาบางสกุลอะไรเนี่ยเขาคงจะเห็นจุดนี้ก็มั้งอถ้าเขาจริงให้พระได้สวดนะ อันนี้ก็เนี่ยหลวงพ่อได้ชี้แจงหรือว่าทําความเข้าใจผู้ที่สงสัยว่าทําไมพระจึงสวดมาติกาบางสกุลที่หลวงพ่อไปงานศพหลวงปู่เพียรมีคนทําถามเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่มีโอกาสที่จะชี้แจงแนะนําสั่งสอนแนะนําให้แก่ผู้ที่ถามนะมาวันนี้ก็เห็นว่าเป็นวันพระในวัดของหลวงพ่อด้วย หลวงพ่อก็เลยอธิบายให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อว่านั่นะให้พวกเราสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแต่ว่าตายตายแน่ไม่เป็นอย่างอื่นทุกคนเกิดมาไม่ว่าอยู่ในระดับไหนมั่งมีดีจนอะไรก็ตามความโง่ฉลาดยังไงก็ตามเกิดมาแล้วอยู่ในใต้ของ อดอนิจังทุกขังอนันตาชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนด้วยการทางนั้นเพราะนั้นในเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วพวกเราได้ฟังได้ศึกษาในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วขอให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีคุณงามความดีกับโย่หลวงพ่อเน้นแล้วเน้นอีกสาหรับฆราวาสญาโยมอให้ทานเนอรักษาศีลภาวนาเนอะ แต่ว่าโอ้ยผูกขาไม่มีลงพอไม่มีก็ไม่เป็นไรรักษาศีลก็ได้แต่ว่าถึงยังไงทั้งสามอย่างมันเป็นสามขาอย่างถ้าคนไม่ทำบุญทาทานเกิดมาพบนาชนาตินาอันนี้สงทานไม่มีการทำมาค่าขายการทำมาหาเลี้ยงชีพก็ยากจนนะเพราะอั น, นิีสงทานไม่มีแต่ถ้าว่าเรามีอันนี้สงทานตามมีตามเกิดนิดๆหน่อยๆก็ควรจะ มีการเสียสละอย่างน้อยก็ให้พ่อให้แม่ของพวกเราเ อ, อมีแต่อยู่กินตามลําพังไม่เลี้ยงใครไม่ดูแลใครอันนั้นไม่ถูกต้องอย่างน้อยก็ให้แบ่งปันให้พ่อให้แม่พ่อแมนะ่คือพระหันของบุตรธิดาอันนั้นควรจะแบ่งปันให้พ่อให้แม่เรา เ, เป็นบุญเป็นกุศลมากเหมือนกันอ อ, อันนี้ลราคือทานศีลก็คือรักษากายวาจาของเรา ไม่ให้มีโทษสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าริทธรรมอย่าฆ่าสัตว์อย่าขโมยทรัพย์อย่าประพฤติผิดในการมอย่าโกหกต้มตุลหลอกลวงเขาเอออย่าไปกินเหล้าอย่ากินเหล้าเมายายาคัญชายาฝิ่นเฮลูอินที่มันไม่ถูกต้องอย่าไปทําทําในสิ่งที่ถูกต้องอันนี้คือเป็นศีลและรักษากายวาจาให้เรียบร้อยแล้วจากนั่นกับสมาธิเอออย่างที่หลวงพ่อแนะนําแล้วแนะนําอีก พวกเรานั่งสมาธินะอันนี้ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมีแตขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงและกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทโธในจิตในใจอันนี้พระพุทธเจ้าท่นว่าอันนี้สงมากกว่าให้ทานรักษาศีลอีกแต่ว่าอันนี้สงนั้นมันคงไปคนละอย่างกันนะไปคนละอย่างกัน ใ น, นสงภาวนานี่พร้อมที่จะมีสติมีปัญญาพร้อมที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นพระอริยะบุคคลเพราะภาวนาอันนสงทานาคล้ายๆว่าเป็นวิถีชีวิตของพวกเราถ้าพวกเรามีทานไปเกิดนะพบพบภูมิไหนไปที่ไหนเออมีแต่เครื่องมีแต่เครื่องเกื้อกูลหนุนอั น, นสงทานาไม่อดไม่อยากพอเป็นพอไปถึงเขาจะทุกข์ยากลำบาก แต่อันนี้สงทานของเราเกื้อกูลหนุนอย่างพระศิวลีอย่างเนี้ยที่ท่านได้ตั้งความปรารถนาที่ท่านได้ทาบุญไว้ในอดีตชาติท่าว่าพระศิวลีไปที่ไหนนี่ไม่อดไม่อยากคนก็แห่ไปทาบุญกับท่านจากนั้นท่านได้ของทายธทามันแบ่งให้พระภิกษุสงฆ์เพราะอันนี้สงทานของท่านมีนะ อ, อ, อันนี้สงทานของท่านนี่แหละ า, าเราไม่มีอั น, นิี้สงทานเราไม่เคยทำบุญทำทานไปที่ไหนก่อนเนี่ยนะต้องปักกัดตีนถีบหมันขยันเจ้ก่อนจึงได้อยู่ได้กินเพราะอันนี้สงทานไม่มีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจัว่าทานก็จำเป็นนะ้ะควรจะเสียสละให้ยใ ห, ให้รู้อัตภาพของตนเองเรามีอยู่มีกินพอประมาณแล้วก็ทำบุญทำทานไปบ้างไม่ใช่ว่า ถ้าไม่มีท่าก็ไม่ทำแต่ตัวเองยังมีอยู่มีกินเ็รู้จักแบ่งแบ่งพ่อแบ่งแม่แบ่งสรรปันส่วนแก่ผู้มีพระกุลสำหรับเราหรือทำบุญทาทานในพระพุทธศาสนาหรือช่วยเหลือสาธารณประโยชน์อย่างนี้ล้วนแล้วจะเป็นการเสียสละเป็นการทำทานส่วนศีล น, นั่รักษากายวาจาของตนเอง ถ้าคนมีศีลแล้วเกิดพบหน้าชาดหน้าถ้าว่าใครฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้ชอบฆ่าสัตว์อย่างนี้ชีวิตของเขาเกิดมาแล้วชีวิตของเขาจะสั้นชีวิตของเขาจะไม่ยืนนานแต่ถ้าว่าใครชอบรังแกสัตว์ชอบทุบตีสัตว์ลังแกสัตว์อย่างนี้เกิดพบหน้าชาดหน้าร่างกายของเราก็ทุกพ ล, ลับภาพเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าหามดหาหมอไม่รู้จักหยุดจักยัง้งไฟลยเพาะ เราเคยลังแกสัตว์เนี่ยนี่แหละมันบาปกรรมมันให้ผลลักษณะอย่า ง, งานั้นคือศีลเลยนะศีลคุ้มครองถ้าเราทําดีแล้วเราไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ลังแกสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์สุขภาพร่างกายของเราก็ดีเพราะศีลคุ้มครุ่มครอนี่แหละเป็นข้อๆไปอย่า ง, งานั้นอทินนาทานก็เหมือนกันสมบัติของเราไปไว้ณที่ไหนก็ไม่เป็นที่เตะตาเตะใจของพวกที่มาขโมย เห็นแล้วก็เข้าเขาก็เหมือนกับมีอะไรปกป้องลักษณะอย่างนั้นน่ะแต่จะเข้าไปเนี่ยก็เหมือนกับมีสิ่งอะไรปกป้องเรอ่มินมีเทวดาหรือว่ามีคนยืนเฝ้าอยู่ขโมยก็ไม่กล้าไม่กล้าเอาเพราะบุญกุศลไปเฝ้าไว้อยู่ว่ากันน่ะแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นศีลคุ้มครองจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่หากว่าไม่มีเราเคยไปขโมยของเขามาก่อนพ อ, อขโมยเห็นนั่นน่ะ เหมือนกับมองที่อื่นไม่เห็นเห็นรองเท้าคู่นั้นแหละสวยงามเหมือนกันเถอะอลที่สูดกับขโมยก็ไปหยิบออกรองเท้าทั้งที่คู่อื่นๆดีแสนดีขโมยไม่เห็นเหมือนกันเถอะอมาเห็นคู่ของตนเองที่มันหัดขาดเว็นวินนั่นแหละเ อ, เอาไปเหมื้นนเอะนี่แหละเพราะเหตุไรเพราะว่าอบาปกลั่มของตัวเองเคยไปขโมยของเขาเอในอดีตชาตินี่แหละถ้งว่าพวกเราทําดีไปแล้ว ความดีนั่นแหละจะคุ้มครองพวกเรานี่แหละคือหลักของพระพุทธศาสนาถ้าเราทําสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้สิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละจะเปิดช่องให้พวกเราได้รับทุกความทุกยากลําบากเพราะศีลไม่คุ้มครองศีลไม่คุ้มครองพวกเรานะนี่แหละอา น, นิสงส์ภาวนาก็าเหมือนกันทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วจิตใจเป็นหนึ่งแล้วจิตใจจะมีปัญญา ฝึกหัดทางด้านปัญญาทีนี่ปัญญาของเราจะเสียแหลมคิดอ่านไตรตองเหตุและผล เ, เกิดมาเพราะใดชาติใดก็เป็นอัจฉริยะ i อคสูง EQ ด้วย MQ ด้วยพร้อมวิชาและจรณะวิชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติดีเพราะว่าเราได้ฝึกหัดจิตภาวนาไว้ในอดีตชาตินะเพราะนั้น เมื่อเราทำกรรมอันไหนไว้กรรมตัวนั้นแหะจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนพวกเราในหลักของพุทธศาสนาเพราะฉนั้นกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นจะให้ผลเป็นทุกข์เมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสัตยาญาิโยมทุกคนเนะี่ยอะก็พร้อมกันก็ให้ภาวนาภาวนาก็คือทำจิตใจให้สงบให้ยึดกรรมฐานพุทโธนี่แหละเป็นหลัก ให้มีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวให้มีรู้ให้รู้ตัวอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกให้กําหนดจดจ่ออยู่ที่ลมปลายจมูกลมกระทบที่ไหนกับบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทแต่ถ้าว่ามันเผลอไผลมันออกไปอยู่อให้บริกรรมให้ทีทีก็ได้ทีนี่อให้ทีทีที่ใจของเราเน่ะ ใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่จะไปพูดออกปากนะให้พูดบริกรรมให้ใจพูดว่างั้นะให้ใจบริกรรมให้ใจพูดพุทโธพุทโธพุทโธจนไม่ใหมีช่องว่างเลยว่างั้นอะอยู่ในใจของเราอันนี้ก็จะทำให้จิตใจของเราสงบได้อีกเหมือนกันผลสุดใจของเราจะสงบว่าเป็นคณิกะอุปจาระอัปนาเป็นสมาธิต่อไป ในเมื่อจิตสงบแล้วทะนีินัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพียงสงบเพียงแค่นี้เราก็มีความสุข อ, อ, อย่างมากทีเดียวไม่ต้องพูดถึงนะว่าสงบราบคาบไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะอันนั้นเป็นบร ม, มัสสุขแต่นี้เป็นความสุขประเดียวประดาลชั่วครั้งชั่วคราวเราก็จะไม่ลืมเหมือนกันเถ อ, เ, อ, อเหมือนกับเราล้อนๆออมีความทุกข์มาแล้วได้กินข้าว อ่าอิ่มอมแล้วก็อาบน้ำเย็นเย็นแล้วก็ได้พักผ่อนโอ้มีความสุขจริงๆในช่วงนั้นนะเนี่ยเราจำได้เราระลึกได้ว่างั้นออนี้ก็เหมือนกันอ่ะถ้าเราทำจิตใจให้สงบได้ในครั้งใดใจของเราจะไม่ลืมอย่างนั้นหละคิดขึ้นเวลาไหนใจคนโอ้มีความสุขที่เราได้พักผ่อนนอนได้ทานอาหารอิ่มแล้วก็ได้พักผ่อนอากาศเย็นเยน มีความสุขนะเพราะเราเคยทุกมาก่อนแล้วนะอันนี้ก็เหมือนกันนะจิตใจของเราถ้าหากว่าพวกเราได้ฝึกหัดได้ปฏิบัติจนจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้นั่นแหละเราจะจําไม่ลืมที่จิตสงบนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่พูดทางนี้ทางนั้นก็เพื่อให้พวกเราได้ปฏิบัติได้ศึกษาเอ ถ้าพวกเราได้ปฏิบัติแล้วหลวงพ่อมั่นใจเหลือเกินนะพวกเราจะเชื่อมั่นในพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถอนไม่ขึ้นเมื่อกันแต่ถอนไม่ขึ้ น, น, น, นใครก็ว่าเราเห็นจริงเห็นจังเนียตามที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนาท่านสั่งสอนเราก็ปฏิบัติรู้เห็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนด้วยถึงจะไม่ทั้งหมดเอ่อก็ได้รับความเจือกเย็น เอ่ตามที่พระพุทธเจ้าเดินทางนี้นะพอเดินแล้วก็เดินไปเออใช่เอ่ไปเจอน้ําจริงๆอ่ไปเจอน้ําใสจริงๆไปเจอน้ําไปเจอร้านอาหารจริงๆเราได้อยู่ได้กินจริงๆฮ่นี่แหละพระพุทธเจ้าแนะนําไปตรงไหนถูกทั้งหมดเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะปัจจตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้จึงจะเห็นได้ด้วยตนเองนะตอนนี้ไปรับพรอ้อมโนาให้พร